เอง ง, ง, ต ง, ตองตอยามาฟังเคสซาดีกั น, นครับลูก ได้เข้าวัดครั้งแรกมาปี42ที่สูงปฏิบัติธรรมโตเกียวปัจจุบาันอายุ35ปีลูกเกิดในครอบครัวที่อดอยากและยากจนมากที่สุดในละแวก บ, บ้าน oh. แถวที่ลูกอยู่อาจจะที่สุดในจังหวัด oh. ซึ่งอาจจะเรียว่ามหาทุกตะในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์มีพี่น้อง7คนเป็นหญิง5ชาย 2, 2> oh. พวกเรานะั้นไม่มีบ้านและที่อยู่เป็นของตัวเอง oh. ตั้งแต่เล็กๆพ่อกับแม่ได้พาตะเวนไปเช่าบ้านหรือกระทบตามที่ต่างๆในตัวเมืองอยู่ได้ไม่นานก็โดนไล่ออกทั้งๆที่ค่าชาวบ้านก็เพียงแค่ร้อยกว่าบาท<อ>พ่อกับแม่ก็ไม่มีใจะให้ต้องย้ายไปเรื่อยๆพ่อมีอาชีพขับสามล้รอรับแจ้งแม่ก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆสารพัดอาชีพลูกเองก็เรียนหนังสือจบแค่ป .3 <อ>แม่พี่น้องของลูกเป็นคนเรียนดีแต่ไม่มีเงินเรียนต่อ ครับพ่อกับแม่กินเหล้าเด็ทุกวันอาจจะมีเงินซื้อเหล้ากิน<อ>กินแล้วก็ทะเลาะตบตีกันเป็นประจำ<อ>เลยว่ามีคู่ซ้อมมาเลยเนะอะตั้งแต่เล็กจนต่อลูกได้เห็นและรับรู้ถึงความเจ็บปวดทําให้ลูกเป็นคนขี้หวาดกลัวหวาดระแวงและรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกครับลูกไม่มีความมั่นใจในตนเองเลยยังจําความทุกข์สมัยที่ลูกยังเล็กได้เสมอครับ ชีวิตลันทศจังเลยส่วนแม่ของลูกได้เสียชีวิตเมื่อตอนปีสีหนึ่งด้วยโรคท้องโตหรือตับอักเสบเนื่องจากพิษสุราเรื้อลังแม่เป็นคนขี้มโหร้ายปากจัดแต่กระใจดีและขี่สงสารเวลาพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันแม่จะใช้กำลังอยู่ฝ่ายเดียว อ, อทั้งตบตีเตะต่ตอยกระทืบข้าแต่ข่าวกระอบ มีบ่อยๆที่ใช้ครกสากและมีดเป็นเครื่องทูนแรงในชีวิตของพ่แม่ไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญเพราะความยากจนและความอายก็รู้ว่าจะทําตัวไม่ถูกไหว้พระก็ไม่เป็นส่วนน้องชายทั้งสองคนก็เป็นกระเทยตั้งแต่เด็กชีวิตลันท้จังพอโตขึ้นก็ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงหนึ่งคนหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ต้องไปเสริมความงามเข้าออกโรงพยาบาล น, นับครั้งไม่ถ้วน น้องทั้งสองคนมีอาชีพขายบริการโอ้โ oh. ห oh. ตอนนี้น้องชายคนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคเอดส์แล้วเมื่อปีสี 5, ่ห้าโดยวัยเพียง29่สิบเปี oh. ตอนนี้น้องตอนที่น้องคนนี้ป่วยในระยะสุดท้ายลูกได้กลับไปเมืองไทยไปดูแลน้องและตั้งใจอยากให้น้องชายมีบุญติด ต, ตัวไปอยากให้น้องได้ทําบุญกับวัดพระธรรมกายอยากให้น้องได้เข้าใจชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนที่ลูกได้เข้าใจลูกจึงได้อธิบายเรื่องบุญให้น้องฟัง น้องได้ฟังเทปธรรมะของหลวงพอ่อทั้งสองลูกได้สอนน้องนั่งสมาธิและได้พาน้องนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยครับน้องชายนั่งได้ดีและได้นิมิต ด, ดวงแกว้วโอแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแล้วที่ผิวพัรุ์ของน้องชายจะออ ก, กลายและดูไม่งามคนที่เป็นโลกนี้ที่ผิวกายจะออ ก, กลายเหมือนผิวตุกแก่ครับแต่น้องก็มีกํบบาลังใจที่เข้มแข็งหลังจากที่น้องชายได้ฟังธรรมะจากหลวงพอ่อทั้งสองและเข้าใจเรื่องบาปบุญน้องชายเป็นคนรักบุญชอบทําบุญนําทานตั้งแต่น้องอย่างเล็กๆ และเป็นคนจิตใจดีลูกเดี๋วพาพี่น้องครอบครัวไปวัดพระธรรมกายทำให้ครอบครัวเข้าใจวัดพระธรรมกายมากขึ้นและความคิดก็ความคิดเห็นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีครับสําหรับตัวลูกเองเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหใครชวนไปวัดไปทําบุญก็ไม่ไปไม่เคยใส่บาตรพระเลยแถมจะบอกกับคนชวนว่าอย่างงมงายกันนักเลยโอลูกได้ใช้ชีวิตในทางที่ผิดมาตลอดทั้งกินเหล้าเที่ยวเล่นพายเสพยาบ้าและอื่นๆอีกมากมายโ อ, โอ หมาประสบะการณ์ชีวิตอย่างนี้นี่ยจะไปเอาเนะแต่หลังจากที่ลูกได้รู้จักสูตรปฏิบัติธรรมโตเกียวได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขได้ฟังเทศบงคลชีวิตของรพอระเดชคุณหลวงพ่อตาตะแต่รู้จักวัฏฏธรรมกายจนได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทําให้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตและเรื่องกฎแห่งกรรมแต่คิดว่าทําไมเราถึงรู้จักวัฏฏธรรมกายช้าไปแต่ก็ยังไม่สายตอนนี้ลูกได้ชีวิตใหม่แล้วและจะไม่ขอกลับไปทําผิดทำพลาดเหมือนในอดีต พระเจ้าลูกได้ร่วมบุญทุกบุญของวัดธรรมกายไม่เคยขาดและเป็นกําลังสําคัญคนหนึ่งในการสร้างวัดไทยนาคโนนื่งจากลูกเป็นแม่บ้านอยู่ในวัดได้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยรับบุญจัดเตรียมพัตนารถวายพระและทําความสะอาดวัดก่อนกลับบ้านทุกครั้งเมื่อวันที่ยี่หาพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกลูกจึงได้ขอร่วมบุญหล่อลูกเหมือนหลวงปู่ทองคํา1กิโลก ร, รัมด้วยค่ะสาธุ ก็ขาอวยพรย้อนหลังนะลูกนะครับวันคล้ายวันเกิด25พฤทภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยให้เป็นปีแห่งแสงสว่างให้ชีวิตของลูกสว่างต่อจากนี้เป็นต้นไปสว่างทั้งทางนอกสว่างทั้งทางในสว่างฟ้าสว่างดินสว่างในทุกคนทุกแห่งนะลูกนะสาธุชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี สร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะครับแม่ของลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้หรือเปล่าชาติก่อนพ่อกับแม่ทําการอะไรกันมาทําไมชาตินี้ถึงได้มาทะเลาะตบตีกันตลอดชีวิตและยังต้องมากินเหล้าทุกวันปัจจุบันพ่ออายุห65ปีแล้วแต่ก็ยังกินเหล้าอยู่เป็นประจําสติจึงไม่ค่อยจะดีไหมลิเหล้าพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเหล้านี่ เป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยโทษครับพ่อมักจะดุเวลาเมาด่าว่ากล่าวบุคคลรอบข้างโดยคําที่หยาบคายลูกอยากจะช่วยพ่อแต่ก็ไม่รู้จะทําทอย่างไรเพราะพ่อไม่ยอมรับฟังอะไรเลยและลูกก็อยู่กับอะไรจากพ่อโดยจะทําอย่างไรดีคะน้องชายที่เสียชีวิตด้วยโรคเอทตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะกรรมอะไรเขาจึงอายุสั้นและตายด้วยโรคนี้ครับน้องชายทั้งสองคนทํากรรมอะไรมาถึ ง, ต, งต้องมาผ่าตัดแปลงเพศ แล้วทำไมพวกเราถึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันครับลูกเป็นคนขี้หวาดระแวงต่อสายตาผู้คนและกลัวสังคมมนุษย์ mm hmm. เวลาอยู่ต่อหน้าบุ้คนมือไม้จะสั่นหัวใจเต้นแรงควบคุมตนเองไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดเป็นสิ่งที่ ข, ด ข, ขัดขวางการสร้างบารมีเป็นอย่างยิ่งลูกทกํากรรมอะไรมาค้าทำอย่างไรจึงจะหายจติฐานอย่างไรและทําบุญอย่างไรดีคะครับสามีของลูกเป็นชาวญี่ปุ่นชอบเล่นเกมการพนันที่เรียกว่าปาจิงโกะอ๋อ ต้องใช้เงินในการเล่นการพนันชนิดนี้คนไทยในญี่ปุ่นชอบเล่นกันมากอ่มาฟังกันเลยอ่านเร็วหน่อยแม่ตายแล้วก็ดิกไปมหานรกคมห้าทันที<อ>เพราะกรรมมณิมิตรดื่มเหล้าเป็นอจินตกรรมรชัดเจนคตินิมิตจึงดำมืด และก็วูบไปลงมหานรกขุมห้าเลยไปถูกกรอกน้ำกรดสีดำจากนายนิรยาบาลทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญจากลูกได้ต้องใช้วิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างคุณยาอาจารย์ของเราจะจึงจะไปช่วยได้พ่อกับแม่ เพิ่งจะพ้นกรรมจากมาหานรกขุมห้ามายกหยกแล้วก็มาตกนรกขุมบริวาร <Okay. S 1> แล้วก็จากขุมบริวารก็มายมมาโลก oh. ไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มาเป็นคนบ้าใบปัญญาอ่อน oh. แล้วก็มาชาตินี้ก็มาเป็นคนปกตินี oh. ่เพิ่งคืนมานะ <Okay. S 1> ยาวทีเดียวแหละ มาตามขั้นตอนเลยครบวงจรเลยเพราะมาเกิดเป็นคนปกติในชาตินี้ก็ทำกรรมแบบเดิมที่ตนคุ้นเคยอีกแล้วก็ไม่ยอมพบบัณฑิตแม่จึงต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งจ้า<อ>ที่ยากจนก็เพราะไม่ได้ทำทานในอดีตมัวจะกินเหล้าในชาตินั้นเลยไปตกมหานรกพอขึ้นมาก็ทำซ้ำเติมอีก ติตบตีกันก็นกเพราะติดนิสัยมาจากนรกคือมักโกรธและก็เลี้ยวกลาดและก็คุ้นกับการถูกทุบตีบก็เลยมาทุบตีกันเองเนี่ย<อ>มันคุ้นพรโดนทุบมามาก<อ>ปัจจุบันพ่ออายุ65าปีก็ ย, ยังกินเหล้าเป็นประจำแล้วก็เกลี้ยวกลาดตอนนี้จะช่วยได้ก็แค่ลูกทําบุญบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้บุญบันดาลให้พ่อมีสติสัมปชัญญะ เท่านั้นแหละเว้นแต่ว่าวันไหนลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้ววันนั้นใจใสใจสบายจะทำให้เกิดดวงปัญญาและพลังใจที่จะไปปลดพ่อ<ๆ>ก็ให้ไปวันนั้นและจ้ะพูดให้เต็มที่ไปเลยน้องชายตายด้วยโลกเอดตอนนี้ไปเป็น ขุ่มสามในสนัิฆทานวิยาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นนาคบรรดาศ<อ>เคยได้ยินไม่นาคบรรดาะไม่เคยครับคืออะไรนาคบรรดาะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงครับ น่ากระเทยเออใช่คือสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี่หนึ่งนี่เลยจ้ะเป็นชั้นที่หลากหลายทีเดียวชั้นเดียวเท่านั้นแหละจะมีนาคยักษ์คนท่านครุษแล้วก็มีทั้งบันดาะมีทั้งตุ๊ดทั้งเต่ทั้งอย ธรรมดีแรงดงมี อ, อยู่ที่เฉพาะจตุนี่นะที่อยู่ในระดับของภุมมะเทวะเป็นเรื่องที่แปลกทีเดียวนี่เราฝันเลี้ยฟไม่เป็นนี่แล้วมันอีหลีดีลิเช่เลยเป็นนาคบันเดาะ อ, อยู่ชั้นจตุอยู่ในตระกูลกันหาโคตมะกัญหา โคตมโคต ร, คต ร, รผิวสีดำ อ, อยู่ใต้ประดานในระดับภุมมเทวาที่ไปเป็นหน้ากับพระจิตเนี่ยมากไปด้วยราคะแล้วก็ทำบุญบ้างในตอนช่วงท้ายของชีวิตที่เป็นบันดาะเพราะกรรมเจ้าชู้ในอดีตในอดีตก่อนนู้นนะ และก็ไปนกรกคร้คนจากนรกมาแล้วก็มาเป็นคนมาเป็นคนแล้วก็มาเป็นบัน덕แล้วก็มาขายบริกา ร, รแล้วก็เพราะว่าไม่ได้ทำทานอะไรหมดเลยก็ยากจนก็เลยต้องมาขายบริการด้วยขายเพราะกรรมเจ้าชู้และขายเพราะไม่ไม่มีทรัพย์เนื่องจากไม่มีมหาทานบรารมี หน้าบันเดาะเนี่ยจะเป็นบันเดาะตอนปแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่พอเป็นหน้าอย่างนี้แล้วก็ก็ปกติธรรมดาแต่พอเป็นมนุษย์นี่จะเป็นมนุษย์ผู้ชายที่ตุงต้งติ้งเขาเห็นกันถ้าใครมีรสนิยมเดียวกันเขาก็ก็จะเข้าไปคุยเหมือนมนุษย์งี้แหละแปลกทีเดียวตึงต้งติ้งอะไรอย่า ง, งา น, นั้ น, นก็จะมีหนุ่มที่ชอบมีรสนิยมทางนี้เนี่ย ที่เป็นนาคหนุ่มนะแล้ะมนรสยมทางนี้ก็อย่างเนี้ยยักษ์บรรดาวก็มียักษ์บรรดาะนี่สะบ้านหันแหลกไปเลยแล้ ว, วดี๋ยวกับบรรดาจะมีเฉพาะในมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะครับยังมีอีกสารพัดเลยแล้วจะค่อยๆเอามาฉายให้ดูเวลาฝันในฝันไปแล้วจะได้เอามาให้เห็นภาพอะนาคบรรดาะ นี่ทไมได้มาเป็นนักเรียนระ่นวันฝันในฝันนะไม่ได้ยินนะที่น้องชายอายุสั้นและตายด้วยโรคนี้ก็เพราะการปัจจุบันที่ส้ำสอนนั่นแหละกับกรรมในอดีตที่ทำแฟนทองแล้วสั่งให้แฟนทำแทงอ่ะมันก็เลยทำให้อายุสั้นทำแทงนี่ทำอายุสั้นนะลูกนะต้องระวังนะเมื่อเราททำหน้าที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ให มนุษย์เป็นทางผ่านในมนุษย์เมื่มังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบจะไปใช้คำว่าไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมก็อย่ามีถ้าหากมีแสดงว่าตัองพร้อมที่จะรับภาระทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่พอไปทําแท้ก็ฆ่ามนุษย์เนี่ยปันตปธิบัติยุคสั้นเพราะกรรมกา ร, การมีจ้าได้เคยตกนรกแล้วถูกเฉาะมาแล้วเนี่ย มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็เลยมาถูกเฉาะมาแปลงเพศกันอีกไอ้ขมที่สามเนี่ยมันยากจังเลยเนี่ยต้องหามุมกล้องอธิบายก็ยากยากที่จะหาคำเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจกันด้วยบางทีเนี่เราจะสัญชีว่าการสูตรสังฆตะเราข้ามไปเลยสังตะไม่เอาโลรุวะหมาโลรุวะแต่มันก็ใหม่ได้นะมัน เห็นแล้วสยอง้องอยางม่รู้จหวานไงบิลึกคือเพราะกรรมกาเมใจเคยตกนรกแล้วแล้วถูกช่อเแล้วจมว่าปแปลงเพศตอนเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นพี่น้องกันก็เพราะมีกรรมใกล้เคียงกันคือพี่สาวมีกรรมสุราและกาเมแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําทานจึงยากจน <Okay. S 1> แล้วก็ทํำคล้ายๆกันอย่างนี้ก็เลยมาเกิดเป็นพี่น้องกันกรรมใกล้เคียงกันจะมารวมที่ลูกเป็นและมีอาการอย่างนี้ที่ใจสั่นอะไรเนี่ย ขีหวาดระแวงกับสายตาผู้คนกลัสังคมมนุษย์เวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนเพราะก่อนที่จะได้มาแต่งงานกับพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นนลองนึกดูสิจ้าว่าเคยทํางานอะไรมาก่อนนะลองนึกดูว่าเคยทํางานอะไรมาก่อนและเคยพลาดพลั้งผิดศีลข้าไหนมาบ้างอันนั้นแหลจะจ้าที่ทําให้ขาดความมั่นใจ ทำให้มีอาการอย่างนั้นลองระลึกดูนะจ๊ะเพราะว่าคงพูดละเอียดกว่านี้ไปไม่ได้หรอกลูกเอ้ยแต่ถ้าหากมานั่งตอนหน้าไม่มีใครก็จะเล่าให้ฟังแต่ไม่เป็นไรอดีตให้ดีจบไปเลยลืมมันไปซะเลย forget it. แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีเรายังมีกายมนุษย์อยู่และมีอาการครบ32เลย ครบถ้วบริบูรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติใหญ่ของเรานะลูกนะที่เรามีอาการครบสายสองเป็นกายมนุษย์อย่างนี้เนะี่ยให้สั่งสมบุญให้มากๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภ า, า, าวนาโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยเราสามารถทําได้ทําทุกวันใจจะได้สใสใสสักวันหนึ่งเมื่อเข้าถึงมรรคธรรมกายแล้วความมั่นใจก็จะหวนคืนมาและจะมั่นใจกว่าเดิมด้วย ผลกรรมที่เกิดจากการพนันนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามพาไปสู่อบายคือมหาราช ล, ลกขุมที่6ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาจะแนะนำสามีต้องใจเย็นๆใจใสๆค่อยชักชวในให้เขามาอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรให้ได้คบบัณดิตกันเสก่อนจะได้มีสังคมที่ดีอีกแบบที่แตกต่างจากเดิมซึ่งเขาจะได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีจากกัลยาณมิตรจะคือตอนนี้เราไปแนะนำเขาเขาคงไม่ฟังหรอ ต้องพาเขาเข้าไปอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรเผื่อเขาเจอใครที่ทาตุตรงกันแล้วก็เขาแนะนํากันได้ส่วนตัวลูกเองก็ต้องหมั่นสังสมบุญทุกบุญให้มากๆนะจ๊ะแล้วตีฐานจิตขอให้บุญบรรดาให้พอบ้านเลิกเล่นกามา น, นันให้ได้ช่วงนี้เราทําอย่างนี้เนะี่ยแล้วตัวเราก็อย่าไปเล่นการมา น, นันทําความดีจึงนั้นความดีเนี่ทําให้พอบานเกิดแรงบันดานใช้อยากจะเลิกการมา น, นั้นเราจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะจ๊ะ ไม่ช้าก็ตายแล้วใครที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วแล้วกลับตัวได้เหมือนต้นไม้ที่ตอนต้นมันคตแต่ตอนปลายมันตรงบุคคลเช่นนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องรัศกงานงามเหมือนพระจั น, นทร์บรรพี่พนจากหมกู่เมฆแหละจ้ะสักวันหนึ่งโลกจะเป็นบุคคลที่ เป็นต้นแบบที่ดีของโลกจ้า